เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอยู่สองอย่างนะหรือจะเรียกว่าเป็นเป็นแรงก็ได้นะอย่างแรกคือแรงดึงดูดอย่างที่สองคือแรงผลักอย่างช่นหลายคนเนี่ยมาวัดก็เพราะว่าความสงบนะมันดึงดูดใจให้เข้าวัด เลยเป็นเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ที่น่านับถือน่าศรัทธาหรือว่าสามารถจะสอนธรรมให้เข้าใจได้อันนี้ก็ลยเป็นแรงดึงดูดนะบางคนอาจจะมาวัดก็เพราะว่าประทับใจในศิลปะ ในความเป็นวัดวาอารามที่เก่าแก่จะมีจิตกรรมฝาผนังที่งดงามอย่างตอนนี้ก็หลายคนก็รู้สึกว่าสถานที่หลายแห่งเนี่ยมันดึงดูดใจควรไปวัดแถวยุธยาเพราะว่ามี ศิลปะที่งดงามมีความเป็นมาที่น่าประทับใจชวนให้อยากรู้อยากเห็นหรือชวนให้อยากจะไปถ่ายรูปนี่เราเป็นแรงดึงแต่บางคนมาก็เพราะแงรงผลักนะเช่นความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์ก็คงไม่ย่างกลายมา มาวัดหรือมาปฏิบัติธรรมทูกเพราะว่าเจ็บป่วยทุกเพราะว่าอกหกักทุกเพราะว่าสูญเสียคนรักอันนี้ก็เป็นแรงผลักนะที่สําคัญที่ทําให้คนจำนวนไม่น้อยนียม่มาวัดหรือว่าลงมือปฏิบัติธรรมทํานองเดียวกันนะ เดกหลายคนเนี่ยตั้งใจเรียนหนังสือเนี่ยเพราะว่ามีแรงดึงดูดนะเช่นความรู้ที่น่าสนใจ เด็กบางคนก็มีความใฝ่รู้หรือว่ามีความสุขจากการที่ได้เรียนยิ่งได้เรียนรู้ก็ยิ่งมีความสุขหรือว่ามาโรงเรียนแล้วมีเพื่อนหรือมีครูบาอาจารย์ที่สอนได้สนุกส่วนนี้ก็เป็น สิ่งดุดดูดให้เด็กจำนไม่น้อยนะมาโรงเรียนแล้วก็ตั้งนังตาเรียนหนังสือแต่แล้วคนเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ว่าได้มาเพราะแรงผลักถูกพ่อแม่เขี่ยวเข็น บ, บังคับให้ไปโรงเรียนเรียวไปเพราะกลัวนะกลัวกลัวถูก พ่อแม่ตรงโทษกลัวถูกลงเรียนกลัวถูกครูลงโทษโดดเรียนเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเจ็บตัวนะฮะก็ต้องมาโรงเรียนแต่บางคนจ เ, เป็นเพราะว่ากลัวลำบากกลัวความยากจนแล้วก็เห็นว่าการเรียนเนี่ยจะทำให้พ้นจากความยากจนได้ มีครอบครัวหนึ่งนะบ้านนี้ก็เรียกว่าฐานะไม่ค่อยดีก็ประกอบอาชีพค้าขายเป็นร้านเล็กๆร้านโชว์หวยขายทุกอย่าง สมัยก่อนนี่ร้านโชว์ผลิขายทุกอย่างไม่ต้องขายผักตื่นเช้าขึ้นมาเด็กๆนี่ก็ต้องมาจัดของตื่นเช้าแต่โน่นตี4ตีหจัดร้านเอาผักมาขายเอาผักมาวางแล้วก็ต้องไปโรงเรียนกลับมาก็ต้องขายของขายผัก พ่อแม่นี่ก็บอกลูกว่าเนี่ยให้ตั้งใจเรียนนะถ้าไม่ตั้งใจเรียนสอบตกนี่จะไม่ให้เรียนนะให้มาขายผักเด็กนี่กลัวมากนะไม่อยากลงเอยด้วยการขายผักก็เลยขยันเรียนตัวเรียนจบ ทางมัธยมแล้วก็หมหยชัยเวลาเล่านะถึงชีวิตในวัยเด็กเนี่ยก็พูดเหมือนกันเลยนะทั้งพี่ทั้งน้องว่าว่าเนี่ยที่เรียนจบมาได้นี่เพราะกลัวขายผักนะเนีพราะรู้รสชาติของการขายนะขายผักว่ามันลำบาก อันนี้ก็เป็นแรงผลักนะที่ทำให้เด็กๆในครอบครัวนี้เขาตั้งใจเรียนมันก็เป็นแรงผลักของหลายคนนะกลัวลำบากอยากจะหนีพ้นจากความยากจนรู้สึกเข็ดหลาบแต่เด็กหลายครอบครัวก็ไม่ได้อยากจนแต่เพราะถูกพ่อแม่เค้ยวเข็น แกอนี่ถ้าไม่ตั้งใจเรียนไม่ทําการบ้านก็ถูกพ่อแม่ตีถูกครูตีด้วยกลัวกลัวถูกลงโทษก็เลยต้องตั้งใจเรียนอันนี้เราว่ามีแรงผลักดัคือการเชี่ยวเข็นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือความกลัวกลัวถูกลงโทษ ใจจริงก็ไม่ได้อยากสนอยากเรียนรู้อะไรเลยแต่เพราะว่ามันมีแต่แรงผลักแท้ๆคนที่ออกกําลังกายเนี่ยเป็นประจำนี่หลายคนนะเขาก็ออกกําลังกายเพราะว่ามีความสุขนะเป็นแรงดึงดูดเวลาวิ่งแล้วมันเพลินเขาบอกว่าเนี่ยมันมี e n d o r p h i หลั่งออกมาจาให้ เกิดวความเพลินหรือว่าได้พบเพื่อนได้พบเพื่อนที่วิ่งด้วยกันบางคนไปออกกำลังแอโรบิกก็เพราะว่ามันมีหมู่คณะเป็นแรงดึงดูดเพราะเพื่อนมีสังคม แต่แล้วคนก็ออกกำลังกายทั้งที่ไม่ชอบเพราะว่ากลัวเจ็บป่วยกลัวเป็นโรคหัวใจเขาพูดกันว่าเนี่ยพออายุมากแล้วเนี่ยถ้าไม่ออกกําลังกายจะเป็นโรคหัวใจบางคนก็เริ่มเป็นเบาหวานก็ต้องเริ่มออกกําลังกายบางคนกลัวแก่แล้วจะหมดสภาพก็ต้องออกกําลังกายเป็นประจํา นี่ว่ามีความกลัวนะกลัวเจ็บป่วยเป็นแรงผลักอาจะได้ว่าแรงดึงดูดเนี่ยนะส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีน่าพึงพอใจคนเราเนี่ยถ้าเรารู้จักหามองหาสิ่งที่เป็นแรงดึงดูดเช่นความสุขความสงบ ในการทำอะไรที่ดีๆมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเด็กที่เขารู้สึกว่าการเรียนเป็นสิ่งที่ให้ความสุขเป็นสิ่งที่น่าท้าทายก็จะรู้สึกว่าการเรียนไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องที่น่าเพลิดเพลินยินดี ต่างจากเด็กที่เรียนเพราะแรงผลักเนี่ยอันนี้เรียกว่าเรียนเพราะจำยอมจำยอมเวลาปฏิบัติทั้งก็เหมือนกันนะปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรารู้จักนะลองหาสิ่งที่มันจะช่วยดึงดูดใจ การปฏิบัติธรรมก็จะไม่ใช่ลึงยาหลายคนเพราะว่าออปฏิบัติแล้วมันใจมันสงบหรือว่าเกิดความโปร่งเบาเกิดความตื่นรู้มันก็ทำให้เกิดความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติแต่ถ้าไม่เจอหรือไม่สามารถสัมผัสแรงดึงดูดแบบนี้ได้นี้ มันก็ต้องใช้วิธีการเขี่ยวเข็นตนเองนะบางทีก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์คอยเขี่ยวเข็นหลายคนนปฏิบัติก็เพราะว่ามีครูอาจารย์เฝ้ามองครูบาอาจารย์ก็คอยกระนาบหรือว่ามีเพื่อนรุ่นพี่เนคอยเขี้ยวเข็นถ้าไม่มีแรงผลาแบบนี้ก็คงเกียดครั้น นั่งนั่งนอนๆมากกว่างั้นจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยนะการทำสิ่งดีๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายถ้าเรารู้จักนะเปิดใจสัมผัสรับรู้กับสิ่งที่มันจะช่วยดึงดูดใจเห่นความสุขความสงบแต่ถ้าว่าเอาไม่รู้จักเลือกนะ มันก็จะไปติดอยู่กับสิ่งดึงดูดใจแบบอื่นเช่นความสนุกเนี่ยคนเดี๋ยวนี้อะไรถ้าไม่สนุกนี่ก็ไม่ทำแล้วมันต้องสนุกซึ่งมันต่างจากความสุขนะการเรียนเนี่ยสำหรับเด็กหลายคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกแต่ว่า ทำแล้วมีความสุขก็ได้เรียนรู้คนเราถ้าไปติดสนุกแล้วเนี่ยนันก็อาจจะไปติดเกมติดเกมออนไลน์ติดวิดีโอเกมติดมือถือสุดท้ายสิ่งที่สิ่งดีที่ควรทำก็ไม่ได้ทำหลายคนไม่สนใจปฏิบัตินะก็เพราะว่ามันติดสนุก ความสนุกจากโทรศัพท์มือถือเดีย๋ยวนี้วัดวารามหลายแห่งนี่ผานนี่ก็ติดนะติดเกมโทรศัพท์มือถือติดซีรีส์ติดละครติดหนังเพราะมันสนุกในขณะที่ความสงบนี้ไม่สามารถจะดึงดูดใจได้แต่ทั้งที่ รอบตัวนี้ก็สามารถจะสัมผัสความสงบได้ไม่ยากเมื่อเวลาเราเข้าหาธรรมเนี่ยพยายามจะอาศัยแต่แรงผลักอย่างเดียวก็แรงผลักเนี่ยมันมักจะเป็นแรงหรือปัใจจัยในทางลบเช่นความทุกข์ความกลัว แต่จะว่าไปพระราันสมัยก่อนสมัยพุทธกาลจำนวนไม่น้อยนีก็เข้าหาธรรมก็เพราะแรงผลักอย่างนางกีษากุตมีนางปตจาราท่านเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเพราะความทุกข์เสียลูกเสียคนรักจึงผลักให้เข้าหาเข้าหาธรรมเข้าหาพระพุทธเจ้านางโสนาก็เป็นเพราะแรงผลักน ความยากจนไม่มีที่ไปทั้งที่เคยร่ำรวยแต่ว่ายกมรดกยกทรัพย์สินเป็นมรดกให้กับลูกจนหมดแล้วลูกก็ไม่เลี้ยงก็เลยเคร่งคว้างสุดท้ายก็ต้องบากหน้าเข้าวัดบวชไปพิสูจนีแต่ก็ทำไม่ได้พบธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด อันนี้ก็เรียกว่าเป็นพ่อแรงผลักนะแต่หลายท่านนี่ก็พ่อแรงดึงแรงดูดนะอย่างอุปติสสะโกริตตะหรือว่าซึ่งต่อมาเป็นพร ะ, พร ะ, พระสารีบุตรพระโมคคัลลาน ะ, นะอุปติสสะเนี่ยเจอพระอัสัชิเนี่ยเกิดความประทับใจความสงบความสํารวมยึงดูดให้อุปติสสะเข้ามาสอบถามว่า ใครเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์ของท่านสอนว่าอะไรพอท่านอัสาชีได้เล่าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคืออาจารย์ของเราและคำส อ, องท่านคือว่าทำใดเกิดใดเหตุนะตถาคตกล่าวถึงเหตุแห่งธรรมและความแห่งธรรมอธิบายสั้นๆแต่ว่าเก็บใจความได้ครบถ้วนและลึกซึ้ง อุปัตติสาวก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยภายหลังก็บวชเป็นพระสารีบุตรแล้วก็บรรลุเป็นพระบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่หลายคนเนี่ยเห็นภาพสัจจีแล้วก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกดึงดูดใจอะไรเลยอาจเป็นเพราะว่าจังเพลิดเพลินความสุขหรือว่าจิตใจไม่ละเอียดพอหรือว่าอาจจะกําลังใจลอย แถ้าเกิดว่าทาใจให้ว่างๆก็จจะสัมผัสได้นะถึงความสงบของภาคสัตว์ชแล้วก็ดึงดูดให้เข้าหา้คนเราถ้าาว่าเราฝึกใจให้ละเอียดให้ประณีตเนี่ยสิ่งดีๆที่ดีงามก็สามารถจะดึงดูดใจให้เราเข้าหาธรรมแต่ถ้าวิตใจเราอยากเนี่ยสิ่งดีๆมันก็ดึงดูดใจเราไม่ได้ ความสงบหรือว่าความน่าศรัทธามไม่มี้ความหยาบความตื่นเต้นความสนุกสนานเท่านั้นที่ดึงดูดหรือสัมผัสใจของคนจนกระทังพลาดนะพลาดโอกาสในการที่จะได้พบสิ่งดีๆที่มีคุณค่าพูดถึงแรงผลักเนี่ยนะมันก็ ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่แย่เสมอไปแม่ว่าหลายอย่างมันจะเป็นแรงผลักที่เป็นปัจจัยในทางลบอย่างที่ยกตัวอย่างว่าความทุกข์ความสูญเสียความพัดพรากมันก็สามารถผลักให้เกิดมีผ้ารหัสหลายท่านเรียกว่าเพราะเจอทุกเนี่ยจึงเห็นธรรม แต่ว่าแรงผลักบางอย่างก็เป็นของดีนะมันมีธรรมะชนิดหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าสังเวชะสังเวชะสังเวชะเนี่ยคือความรู้สึกกระตุ้นกระตุ้นเราให้ได้คิด คือว่าความสุขกระตุ้นเราให้คหํานึงถึงธรรมนี่ก็เป็นแรงผลักนะมันเกิดจากความการที่มีสิ่งมากระทบที่ทําให้ตระหนักเนะจนตนักถึงความตายเกิดความกลัวตายก็ดีกลัวลําบากก็ดีมันก็สามารถจะกลายเป็นสังเวชะหรือสังเวชที่กระตุ้นให้คนขนขวายหลายคนเนี่ยกลัวตายนะกลัวกลัวจะตายไม่ดีกลัวจะตายไม่สงบ ไม่อยากตายเหมือนกับไม่อยากลงเอยเหมือนบางคนที่ตายแบบทุกข์ทรมานก็เกิดความตื่นตัวทำให้หันมาสนใจปฏิบัติธรรมเพื่อว่าเมื่อถึงเวลาจะตายหรือว่าเมื่อเกิดความเจ็บป่วยก็จะได้ไม่ทุกข์ทรมานอันนี้ก็เป็นแรงผลักที่ดีนะว่าเราไม่สามารถที่จะ เปิดรับแรงดึงดูดที่มันเป็นกุศลได้เนี่ยอย่างน้อยก็พยายามหาสิ่งดีๆหรือกุศลธรรมเป็นแรงผลักแต่แรงผลักที่คนจะโดนไม่น้อยเนี่ยรู้จักเนี่ยนอกจากความทุกข์ที่ว่าแล้วเนี่ยอันหนึ่งที่ที่นึกถึงนั้นมากนะคือความโกรธนะความโกรธ ค, ความเกลียดความกลัวหลายคนจะทำอะไรเนี่ยมันต้องโกรธก่อนหรือว่าต้องเกลียดก่อนหรือต้องกลัวก่อน เห็นอาจจะโกรธอาจจะเกลียดนายทุนที่เอารัดเอาเปรียบผู้ปกครองที่เป็นผด็กการก็เลยทำให้ทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องมีความโกรธความเกลียดเป็นแรงผลักดันก็ได้ หรือบางคนก็บอกมันต้องมีความยากต้องมีความโลภคนหนึ่งจะขยันแล้วบางทีก็ถึงก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่มีหนี้สินเนี่ยมันก็ไม่ขยันหรอกเพราะว่าพอมีหนี้สินแล้วมันก็ทาให้เหมือนกับต้องเกิดแรงผลักให้ต้องขยันเพราะว่าไม่อยากเป็นหนี้เป็นสินมีหนี้สินคอยเหมือนกับไฟเผาลนไปแรงขับเคลื่อนให้ต้องขยันทำงาน อย่างนี้คนพูดกันมากนะจะทําอะไรเนี่ยมันต้องมีความโลภต้องมีความอยากคือตัณหาต้องมีความโกรธจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีงามถ้าไม่มีความโกรธแล้วนี่มันก็ไม่ขยับหรือถ้าจะขยันหมั่นเพียรเนี่ยมันก็ต้องมีความโลภที่จริงเนี่ยมันมีแรงผลักที่เป็นกุศลนะที่ดีกว่า ที่ว่ามาน ะ, ะเช่นความรักความเมตตาความสำนึกในบุญคุณอย่างพระอาจารย์นี่ก็เป็นแบบอย่างนะของการที่ใช้เมตตาเป็นแรงผลักให้ทำประโยชน์เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ถ้าเราใช้เมตตาหรือว่ากุศลธรรมเป็นแรงผลักนี่มันก็ สามารถจะนำไปสู่สิ่งดีๆได้ในทางตรงข้ามจะใช้ความโกรธความเกลียดใช้ตันหานี่มันก็อาจจะนำไปสู่ความเสียหายได้เพราะพอใช้ตันหาเป็นแรงผลักก็อาจจะเกิดการทุจริตทำให้คนเนี่ยเอารัเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อตัวเองได้มีเยอะๆมันไม่ใช่ขยันเพื่อตัวเองเดียวแต่มันไปเอาเปรียบคนอื่นด้วย ความกลัก็เหมือนกันนะเปลี่ยนแปลงสังคมโดยอาศัยความโกรธการปฏิวัตินะในประวัติศาสตร์นี่ก็อาศัยแรงโกรธมากความโกรธมากความเกลียดแต่ว่าก็นำไปสู่การทําลายล้างอย่างที่การใช้ความรักเนี่ยอย่างคาันทีเนี่ยใช้ความรักความเมตตาเป็นแรงผลัก มันก็นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีงามโดยที่สูญเสียเลือดเนื้อน้อยอย่างแบนเดลล่าเนี่ยก็ใช้ความรักความเมตตาที่ทำให้ออฟริกาใต้มีการลังเกียดเหยียดผิวน้อยลงมีการเคารพศักดิ์ศรีของคนมีสีผิวได้มากขึ้นรวมทั้งมาติลูเทอร์คิงเนี่ยซึ่งใช้ความรัก ในการทำให้การเหยียดผิวเนี่ยมันลดน้อยลงถ้าเราใช้ความรักความเมตตาหรือว่าความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยเป็นแรงผลักนี่มันก็ทำให้เกิดสิ่งดีๆได้มากนอกานั้นสติก็สำคัญนะสติก็เป็นแรงผลักได้ เวลาเราเกลียดคราสเนี่ยไม่อยากจะทำอะไรสติมันก็สามารถจะขับเคลื่อนให้เราเกินะดความขยันขันแข็งขึ้นมามันเป็นแรงผลักที่เดียวความโกรธนะความหลายคนเนี่ยพอมีความโกรธเป็นแรงผลักเนี่ยมันบางทีมันห้ามใจตัวเองไม่ได้นะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เพราะความโกรธมันคลองใจ ไม่ว่าจะเป็นการใช้คาพูดหรือการกระทาที่นำไปสู่ความรุนแรงถ้าเราใช้ความโกรธเป็นแรงผลักถึงจุดหนึ่งเราก็ไม่สามารถคุมตัวเองได้แต่ถ้าว่าเรามีสติใช้สติเป็นแรงผลักนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยกว่าและยังสามารถจะทัดทานไม่ให้ความโกรธเข้ามาของใจเราได้คนเราเพราเราโกรธแล้วเนี่ยมันอยากจะทา อะไรหลายอย่างที่เป็นผลลัพกับตัวเองแต่พอได้สติขึ้นมามันหยุดเลยสติเนี่ยเป็นแท่งแหลงแหลงผลักนะที่ไว้ใจได้แล้วก็เป็นแหลงเบรกที่ช่วยทำให้ใหแหลงผลักที่มันเป็นลบที่เป็นโทษเนี่ยมันไม่สามารถจะครอบงาจิตใจเราได้งั้นถ้าเราพยายามสร้างกุศลธรรมมาเป็นแรงผลักในการทำสิ่งดีๆเนี่ย อันนี้มันจะเกิดผลที่ดีงามแล้วก็ปลอดภัยกว่าแล้วมันช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะเปิดรับสิ่งที่เป็นแรงดึงดูดให้เราทำสิ่งที่ดีงามได้